ลูกจะได้เข้าใจง่ายเข่าที่มณฑลเชียงซีมีท่านผู้เฒ่าแซ่สูท่านยังชีพโดยการสอนหนังสือตามบ้านอยู่มาวันหนึ่งมีชายคนหนึ่งเป็นหนี้เพราะความยากจนเมื่อไม่สามารถชําระหนี้ได้เจ้าหนี้ก็จะยึดภรรยาของชายผู้นี้ไปเป็นคนใช้ท่านผู้เฒ่าสูเกิดความเห็นใจสามีภรรยาคู่นี้ยิ่งนัก จึงยอมสละเงินที่เก็บออมไว้ได้จากการสอนหนังสือเป็นเวลาสองปีนำมาใช้หนี้แทนชายผู้นั้นทำให้สามีภรรยาคู่นี้ไม่ต้องแยกจากกันอีกตัวอย่างหนึ่งมีชายคนหนึ่งด้วยความยากจนยิ่งนักจึงนำบุตรและภรรยาไปจำนำไว้ได้เงินมาพอประทังชีวิตเมื่อถึงกำหนดไม่มีเงินจะไปไถ่คืน ภรรยาก็เดือดร้อนคิดจะฆ่าตัวตายบังเอิญท่านผู้เท่าจางรู้เรื่องเข้ามีความเห็นใจเป็นยิ่งนักจึงนำเงินที่เก็บสะสมมาแล้วถึงสิบปีมาใช้หนี้แทนให้พ่อแม่ลูกจึงได้มีโอกาสกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งทั้งท่านผู้เท่าซูและผู้เท่าจางล้วนแต่ได้กระทำในสิ่งที่ทําได้ยากยิ่ง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 ควรจะได้สามีที่มีไวัยไร่เรียกกันท่านจึงไม่ควรที่จะไปทำลายความสุขและอนาคตของเด็กสาวนิเสธด้วยความเห็นแก่ตัวเพียงเพื่อจะมีบุตรไว้สืบสกุลเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งท่านผู้เฒ่าทั้งสามท่านนี้ล้วนแต่ทำในสิ่งที่ยากยิ่งจริงๆฟ้าดินทรงประทานความสุขความเจริญให้กับท่านทั้งสามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นแน่แท้ ส่วนคนที่มีเงินมีอำนาจนั้นถ้าจะกระทำความดีก็ย่อมง่ายกว่าผู้ที่ไม่มีทั้งเงินและอำนาจแต่พวกนี้ก็ไม่ค่อยชอบทำความดีน่าเสียดายผู้ที่มีโอกาสพร้อมกับไม่ชอบทำความดีส่วนผู้ที่โอยโอกาสกว่าจะทำความดีได้ก็โดยความยากลำบากยิ่งที่คือความแตกต่างกันในคุณค่าของความดี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 เคารพผู้มีอาวุโสกว่า 10. รักชีวิตผู้อื่นดุดรักชีวิตตนเอง